Thank mm -hmm. you.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 มันก็ได้สติเลยนะไอ้ที่หลงนี่ก็เปรมยนอาการเป็นความรู้ตัวเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะนยิ่งยิ่งหลงก็ไปใหญ่เลยเพราะว่าตอนที่กินข้าวเนี่ยนะรสชาติมันถูกปากบ้างแหละความรอร่อยเกิดความสุขพอสุขนี่มันก็ฟุ้งเลยนะใจมันก็ลอยคิดเปโน่นคิดเปน็นี่อีกอย่างหนึง่ง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 มาเจอพระเจอหลวงพ่อนะก็อยากจะฟังธรรมจากท่านแต่ว่าพอสนทนากันได้สักพักตัวเองก็มีเรื่องระบายระบายระบายระบายนะเล่าอย่างเดียวเลยเป็นฝ่ายเล่าอย่างเดียวเลยบางทีครึ่งชั่วโมงอเล่าแต่เรื่องของตัวจนหมดเวลายึงนึกขึ้นมาได้โอ้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 บางคนเนี่ยตั้งใจนะว่าจะไปจะไปซื้อฐานไฟฉายนะก็เข้าห้างเนยะเพราะว่าห้างมันเดินผ่านห้างพอดีห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะไปซื้อฐานไฟฉายหรือบางทีจะไปซื้อรองเท้าแตะแต่พอไปที่ห้างเหนะ็นเขาลถนะเหนเขาขายลดราคาเรียกว่าลดกระ น, นา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 หรือไม่ใช่ไปจ้องติดๆก็สังเกตดูใจของเราเป็นพักๆนะไม่ว่าเราทำอะไรโดยเพราะเวลาใจมันเผลอไปแล้วก็ให้เออก็รู้ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่าหลงไปละลืมไปละลืมตัวไปละสังเกตนะแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรนยก็เราก็รับรู้อยู่กับสิ่งนั้นนะตาก็มองเห็นที่เราล้างจานนะ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 นะเมื่อกี้มันเผลอไปคิดหน่นคิดนี่แล้วนึกขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือสติสติความเราลึกไดนะ้สติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาสามัญกนะ็จำได้ว่านะกุฏิที่พักเราอยู่ตรงไหนจอดรถไว้ตรงไหนนะจำได้ว่าเราบอกคนที่บ้านว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่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 แล้วพระเจ้าก็แต่ว่าถ้าผู้ใดมีสติครองตนผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าแต่ว่าบุคคลเนี่ยต้องหมั่นมองตนหมั่นเตือนตนบ่อยๆเตือนตนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่เตือนเฉพาะเวลาจะทําชั่วนะเช่นจะไปขโมยของเขานะหรือว่าจะไปด่าเขาก็มีสติเตือนว่าอย่าทำมันไม่ใช่แค่นั้น น, นนะแต่ว่ามี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 เดินสติในรูปแบบนะเช่นสร่างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจนะหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะก็ให้มีความสึกตัวนะให้ถือหลักว่าให้จำเอาไว้ว่าเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำทีลอย่างนะททีไรอย่า ง, นะทท อ, ยางอย่าทำหลายอย่างพร้อมกัน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 ทีๆแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเช่นตกเครื่องบินนะผิดนัดประชุมไม่ทันนะหรือว่าส่งลูกนะไปโรงเรียนสายนะพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความกังวลเกิด ค, ความหนักใจเกิดบางทีเรื่องกังวนกรวายทั้งที่มันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่ทุกไปลนะคนเราเนี่ยชอบ าความทุกมาใส่ตัวด้วยการคิดข้ามช็อตก็เพราะว่านิสัยแบบนี้มันเราสะสมมาเองนะเวลาอาบน้าเวลาถูฟันนะเวลากินอาหารเวลาทำครัวเนี่ยไปแล้วใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วไอ้นิสัยแบบนี้มันไม่ดีนะมันทำให้กลายเป็นคนขี้กังวลนะจะทำอะไรก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า คนเขาจะว่าจะแสดงความเห็นอะไรไปนะก็กลัวคนจะไม่พอใจหรือกลัวเขาจะคัด้านเขาจะโต้แยง้งถามว่าเกิดขึ้นอย่างไแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะคนที่ขี้กังวลนะจะเป็นแบบนี้ชอบคิดข้ามชอ็อตนะมีบางคนนี่จะมาวัดป่าสุกโตนะอีกสิบวันกนะกว่าจะเดินทางเนี่ยนะ